เรื่องเล่าผีหลอนตอนเทวรูปกินคนเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อซื้อที่ดินห้าไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะปลูกผลไม้ขายเขาสร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวน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 ลักษณะเหมือนชายหัวล้านอ้วนลงพุงมือสองข้างแตะอยู่ที่ท้องร่างสีดำทมึนดวงตาสีแดงก่ํำแต่ที่ชวนสยองสุดๆคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มชวนขนลุกในปากคล้ายมีเขี้ยวสี่เล็กๆ เ, เ, เรียงรายอยู่แล้วคราบสีออกน้ำตาลที่มุมปากคล้ายเลือดที่แห้งกรังทำให้ชายหนุ่ม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 แต่บทสวดมันฟังดูแปลกๆพิกลผ่านมาชั่วโมงกว่าๆพอจบพิธีหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้ฟังรูปปั้นนี้มันเป็นของขเขมนโบราณชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วเองนี่มันสวยจริงๆผมหน้าซีด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 จากนั้นเสียงก็เงียบไปเขาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเช้าก็พยายามลืมเรื่องเมื่อวานแล้วตั้งใจทำสวนต่อไปเวลาบ่ายสามเขาก็อาบน้ำเตรียมไปตลาดนัดใกล้ๆขณะเดินซื้อของก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืน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 พอจะทราบไหมครับป้าแม่ค้าก็อั้ำอึ้งแล้วตอบไปว่าเขาลือกันว่าเป็นเทวรูปกินคนที่เคยอาวาดที่หมู่บ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์นั้นทำให้มีคนตายยกหมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วอาจดูเหลือเชื่องมงายนะพ่อหนุ่มแต่มันเกิดขึ้นจริงๆสมัยป้ายังสาว เคยมีหมอผีมาสะกดวิญญาณแล้วเอาฝังไว้แต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังเอาไว้ที่ไหนนี่คงมีใครทะลึ่งไปขุดเจอมันเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็น่าซีดแขนขาชาจนแม่ค้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อนุ่มชายหนุ่มตั้งสติแล้วตอบว่าเออผมไม่เป็นไรครับป้า จากนั้นก็รีบกลับบ้านทันทีในคืนนั้นเองในขณะที่กําลังจะเคลิมหลับเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องปนกับหัวเราะมันดังก้องจนหน้าคนลุกเขาหวาดกลัวและระแวงตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยใครรู้ที่มีเลยขอพิสูจน์ให้แน่ใจเขาเดินไปที่หน้าต่างแล้วแง้มม่านออกเล็กน้อยมองออกไป จะเห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรังและมีไฟถนนส่องสว่างอยู่หนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านไม่ไกลนักเมื่อกวาดสายตาออกไปภาพที่เห็นทำเอาแทบสิ้นสติเขาเห็นมันร่างดำทมึนนั่นเดินวนไปมาคล้ายกำลังหาอะไรบางอย่างหรือมันกำลังตามหาคนที่ปลุกมันขึ้นมาในใจคิดพลางจ้องตาไม่กระพริบ แล้วทันใดนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมามองทางเขาแสงไฟทำให้เห็นรอยยิ้มหน้าสยดสยองเขี้ยวที่เรียงรายเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเขาละออกจากหน้าต่างทันทีแล้วคิดในใจหรือมันจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แสบแห้งหน้าคนลุก ก็ได้ดังขึ้นเสียงที่ได้ยินดูใกล้ามากราวกับว่ามันมายืนอยู่ที่หน้าต่างของเขาชายหนุ่มทนฟังเสียงหวยหวนทั้งคืนจนเช้าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปพอตะวันขึ้นเขาก็ไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดพอถึงในวัดเหมือนกำลังมีงานศพอยู่ เขาก็ตรงไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วถามหาหลวงพ่อแต่คำตอบที่ได้กลับทำเอาแทบช็อกหลวงพ่อมรณะภาพไปเมื่อคืนวันที่ทําพิธีคืนนั้นแล้วครับพี่เด็กวัดเล่าว่าหลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อเป็นห่วงคนที่บ้านท่านคิดจะเอายันไปให้แต่เช้ามา กลับเห็นศพท่านแน่นิ่งที่ข้างทางยามที่ใส่ยันก็ลอยอยู่ในคลองไกลๆคนที่บ้านก็ตายหมดใช่ครับก็บ้านที่เลี้ยงวัวที่ตายกันยกบ้านนั่นแหละนั่นก็คือบ้านพี่น้องของหลวงพ่อนั่นเองชายหนุ่มถึงกับซุดลงหลังจากได้ยินเรื่องนี้แต่พระรูปหนึ่งก็เดินมาแล้วถามว่ามีอะไรหรือยม ชายหนุ่มไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยเล่าทุกอย่างที่เขาพบเจอทั้งหมดตั้งแต่วันแรกแล้วเรื่องที่ได้ยินที่ตลาดให้พระรูปนั้นฟังพระก็บอกว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกโยมจนกว่าหมอขเขมรจะมาแต่ตราบใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทวารูปให้มองไม่เห็นเราทำใจให้สบายเถอะโยม ชายหนุ่มกลับบ้านด้วยความอ่อนเพลียเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนบวกกับอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอทั้งหมดทำให้เขาแทบเป็นบ้าแต่อย่างน้อยยันก็ช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้นตอนนี้หมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทำไรทำ่ทาสวนอย่างคึกคักตอนนี้ไม่ต่างจากหมู่บ้านร้าง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 เขาจึงตามรอยเท้านั้นไปแล้วก็พบกับร่างชายหนุ่มนอนแน่นิ่งตาทลนออกจากเบา้าบริเวณท้องกลวงโบแต่สิ่งที่น่าสยองที่สุดก็คือเทวรูปนั้นมันอยู่ในท้องของเขาแทนที่จะเป็นตับไตไส้พุงใบหน้าของมันยิ้มแย้มสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเลือดนอนอย่างสบายใจ ในท้องของชายหนุ่มราวกับพึ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่หมอผีไม่รอช้าร่ายคาถาแล้วค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของชายหนุ่มแล้วเอามันใส่ย่ามอาคมใบใหญ่จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทำพิธีสะกดวิญญาณพอจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งเกิดสงสัยบางอย่าง จึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์ครับพี่คนนั้นเขาพกยันแต่ทำไมยังโดนตามเจอล่ะครับหมอขมเรตอบได้ความประมาณว่าเพราะกลัวเสียงของเทวรูรผีมากจนทำให้สติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ดันพลาดท่าล้มถูกตอไม้ทิ่มเอาเลือดออกพอไอเทวรูปมันได้กลิ่นเลือด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 ก็เขามาทำสวนทำไรในที่ดินของเขาสืบต่อมาหลายรุน่นจนตอนนี้เป็นหน้าที่ของผมใช่ครับผมมาอยู่ได้สามเดือนแล้วแต่ยังไม่เจออะไรแต่ก่อนจะมาปู่ผมก็กําชับว่าท้ายสวนจะมีโพรงใต้ดินปากโพรงจะมีไม้ตอกกั้นไว้เป็นคล้ายคล้ายคอกเล็กๆตรงนั้นไม่ว่าจะยังไง ก็ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นแบบปู่ทวดแน่นอนครับยันนั้นผมก็มีเก็บไว้กับตัวผมมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามเดือนแล้วไม่มีอะไรจนคืนก่อนผมเลยยินเสียงร้องโหยหวนมาจากท้ายสวนคืนนี้ก็เช่นกันตอนนี้ตีห้าแล้วผมยังไม่ได้นอนเพราะเสียงหน้าคนลุก มันดังจนไม่กล้าคมตาหลับในขณะที่กำลังนั่งเขียนบันทึกนี้ก็ยังได้ยินเสียงมันอยู่ซึ่งเสียงนี้จะได้ยินเกือบทุกวันหลังหกโมงเย็นทำให้ผมเป็นโรคนอนไม่หลับผมต้องนอนหกโมงเช้าตื่นเที่ยงทุกวันตั้งแต่นั้นมาถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆ